ไม่ก็อบทุกข์กันทุกคน <c oughs> ดูดีๆนะพระเรลาชีรองพิจารณาปฏิสังขายโยกะประมาณในการคบฉันของตัวเราเองจ้งจะตื่นขึ้นมามันสำรวจใจมันสังเกตใจอบรมใจของเราอย่าให้พลาดโอกาสการเจริญสติถ้าไม่ต่อเนื่องเราก็พยายามสร้างขึ้นมาให้เกิดความเคยชิน งานดูแลใจงานอบรมใจต้องเป็นงานชิ้นแรกเพืจะตื่นขึ้นจะลุกจะก้าวจะเดิน ใ, นใจรับรู้ตั้งมั่นรับรู้อยู่ในกายสติปัญญาผากายไปใจรับรู้แต่ทุกวันใจจะไปก่อนคันห้ากับใจใซึ่งเป็นส่วนนา ม, มาทำ่วนรูปชวนรูปร่างกายส่วนความคิดอารมณ์ต่างๆ หรือว่าวิญญาณในขันหา้าวิญญาณในกายหรือว่าตัวใจของเราชอบคิดชอบเที่ยวสารพัดเรื่องที่จะหาเรื่องขึ้นมาปิดกั้นตัวเองมาสร้างกายเนื้อปิดกั้นตัวเองอย่างไม่พอเข้ามาสร้างขันหา้าปิดกั้นตัวเองแล้วก็มาเป็นาธาตุกิเลสเป็นาธาตุของความเกิด เราก็ต้องพยายามหัดวิเคราะห์หัดสังเกตหัดทาความเข้าใจรู้จักจาแนกแกะแกะ่งรู้จักแกะนย่ใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไรต้องรู้ต้องเห็นต้องทำความเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องจะละได้หรือไม่ได้ก็ ข, ขึ้นอยู่ความเพียรของเราก็ต้องพยายามกัน ทุกเริยาบฏยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเราต้องดูหาความจริงในกายของเราจะได้มีความสุขสนุกอย่างประโยชน์ให้มีให้เกิดขึ้นสงการปีนี้ก็วันนี้วันที่สิเกนี่ก็คงจะบางที่ก็จบบางที่ก็ยังไม่จบสงการปีนี้คนก็ตายกันไปหลายคน ในเขตวัดของเราเขตํตาบลสํำรานนี่ก็สามสี่คนประมาณห้าหกคนได้ที่มารับปลงศพตั้งช่วงระยะสบสองมาหาสิบหกส6บเจ็ดมาทุกวันวันละสองก็มีนี่แหละความตายไม่เลือกการเลือกเวลาบางทีกเเเเ็เล่นสนุกสนานจิ้นเหล่าเมายา ก็เกิดอุปัติเหตุ <c oughs> ตายเพราะเราก็เยอะพวกเราเข้ามาวัดเข้ามาศึกษาค้นคว้าพิจารณาแก้ไขตัวเราให้จิตใจของเราสะอาดให้จิตใจของเราบริสุทธิ์เท่าที่เราดำเนินมาได้เราก็พยายามรีบแก้ไขอย่าฝากันปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลา เดี๋ยวไปปิดกั้นตัวเองว่าไม่มีเวลามีเวลาทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละหมดลมหายใจเมื่อไรเราก็หยุดปฏิบัติเมื่อนั้นการหายใจเข้าหายใจออกก็พยายามดูรู้ให้ทันรู้ไม่ทันก็เริ่มใหม่เป็นแค่เรื่องการหายใจก็ยังขาดการพิจารณาขาดการวิเคราะห์คนเราถ้าไม่ได้หายใจภายในสองนาทีสามนาทีก็ไปแล้ว ไม่ไม่เหลือก็ต้องพยายามกันอีกอย่างหนึ่งนั่นระยะสงการจากวันที่13มาถึงวันนี้ก็ขโมยขจรก็ยเยอะแอบแฝงเข้ามาเห็นว่าเมื่อวานนี้ก็ไปขโมยเอาของโยมที่มาวัดที่มาให้อาหารปลาเผอแป๊บเดียวก็ไปชิงเอาไปหลอยเอา เห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เป็นผู้หญิงด้วยเป็นผู้หญิงด้วยเมืม่อวานเห็นโฉขวยเอาทั้งโทรศัพท์ทั้งเงินทั้งทองอยู่ในกระเป๋าเทียงแค่เผอแผบเดียวไม่ได้เผอหลอกเอาตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้แล้วก็ไปดูแลลูกหันกลับมาของหายแล้วก็ต้องระวังระวังทรัพย์สินข้าวของคงมีค่า ขโมยก็คอยขโมยเผลอเมื่อไหลมันก็เอาอาทิตย์ก่อนนั้นก็เห็นว่าคนทางภาคใต้ลืมเผลอเข้าห้องน้ำวางโทรศัพท์ไว้ก็เผลแป๊บเดียวก็หายแล้วขโมยก็คอยขโมยหาช่องทางจับทางกฎหมายจับไม่ได้ก็ยกให้เป็นกรรมกรรมของเขา เราก็พยายามรักษาของเราทั้งพระทั้งชีไปไหนมาไหนก็ปิดประตูหน้าต่างเก็บข้าวของจาคัญติดตัวเอาไว้อขโมยบางทีมก็งัดกุดหลังน้นว่างงัดกุดติหลังนี้บ้างอชอบขโมยเขาชอบงานของเขามันเป็นงานอักขุศลงานนั่นวิบากกรรมมันก็เป็นบุคคลที่น่าสงสารอื ถ้าเขาไม่รู้จักแก้ไขตัวเองใจก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆเราก็พยายามพยายามดูทั้งพระทั้งโยมทั้งชีวันนี้หลังจากเที่ยงเสร็จพระเราชีเราก็ขอนิมนต์ไปที่สล า, า, าภศพนะไปทุกองค์ไปทุกรูปไปทุกท่านเพื่อที่จะทำชาวพนกกิจศพออของโยมที่ อยู่ในบ้านเพื่อปานที่นำศพมาเห็นว่าจมน้ำตายวันกระโดดลงน้ำว่าจมน้ำตายเอาศพมาไว้ตั้งแต่เมื่อวานหรือวันก่อนโน้นตอนนี้ก็จะทำชาวพน ก, กิจศพกันวันนี้หลังจากเที่ยงเที่ยงเที่ยงนะเที่ยงไปกันหมดทั้งพระเราชีเราไปทำการชาวพนั ก, กิจศพให้กับโยมหน่อยไปสงเคราะห์ ตามหลักความเป็นจริงแล้วเราก็สงเคราะห์ตัวเรานั่นแหละนั่ง ต, ตื่นขึ้นมาเราก็จะได้พิจารณาเห็นความเป็นจริงความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลาไม่เลือกผู้หญิงผู้ชายตายได้หมดตัด้งแต่หลวงพ่ออนุเคราะห์ลงศพมานี่ก็เกตร้อยเกตสุปโปรลงแหละเผอแป๊บเดียวจะเข้าแปดร้อยซะแล้ว บอกเรามีโอกาสได้พิจารณาในหลักธรรมท่านเรียกว่าปฏิสังขายโยพิจารณาความเสื่อมคนเราเกิดมาก็เสื่อมตั้งแต่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เข้าสู่วัยชราคำคลา้าแล้วก็เข้าสู่ความเจ็บความป่วยความตายกายไม่อยู่ในอำนาจของใจของเราเราก็ ทำความเข้าใจอันนี้ส่วนกายเราก็ดูแลรักษาเขาไปถึงเวลาเมื่อไหร่เขาก็ต้องแตกดับช่วงขณะที่ยังไม่ถึงเวลานี่แหละเราพยายามดำเนินทั้งกายทั้งใจให้อยู่ในกองบุญกองขุศลเอาไวก้ก็จะได้ไม่ลำบากในวันข้างหน้าเราจะเดินทางเราก็มีสเสบียงจิตใจก็เหมือนกันจะเข้าสู่ความสะอาดความบริสุทธิ์เข้าสู่นิพพานก็ต้องมีสเสบียง เหมือนกับเราเดินทางเราต้องมีข้าวพวกข้าวหอ่อไปไหนก็ไม่ได้ลําบากทาความเข้าใจสร้างสมมุติขึ้นมาให้สภาพทางสมมุติของเราไม่ได้ลําบากทางด้านจิตใจก็จะได้ไม่ได้ลําบากทางด้านจิตใจเราก็จเจริญสติเข้าไปอบรมเข้าไปทําความเข้าใจอันนี้เป็นทุกข์เราก็ไม่หลงไม่ยืด เป็นธาตุพองกิเลสกิเลสยาพิเลสละเอียดสารพัดกิเลสที่มีอยู่ในกายของเราเราจงพยายามทําความเข้าใจเอาพพระพุทธองค์ทัานชีน้แนะวิธีการแนวทางการเจริญพมมิมพิหารเป็นอย่างนี้การละกิเลสเป็นนี้การเจริญสติเป็นอย่างนี้ ทุกเรียบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับทายท่านให้เจริญสติไปอบรมใจจนเป็นมหาสติจนเป็นมหาปัญญาจนใจของเราอยู่ในโอวาทของปัญญาจะลุกจะก้าวจะเดินก็เป็นแค่เพียงเรียบทความเป็นจริงมีอยู่ในกายของเราหมดเราจะค้นคว้าทำความเข้าใจให้ได้ทะลุผุโปร่ปปงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเพียรของเรา อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษคนโน้นอย่าไปโทษคนนี้จงโทษตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราไม่มีใครที่จะทําใจของตัวเองอยากจะทําใจของตัวเองให้ตกต่ำมีตั้งแต่ใจโยกจิตใจของเราให้ขึ้นสู่สู่ที่สูงก็ต้องพยายามกันนะทั้งพระทั้งโยมทั้งทีมีโอกาสโอกา ส, กาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิด เราก็พยายามพยายามทำบุญสมมติเราก็ทำให้เต็มเปี่ยมขัดเกลื่อนเลสของเราออกทีนั่นทีนี้เดี๋ยวก็ถึงจุดหมายไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรปับปรุงตัวเราไม่ไม่ใช่ไปผลัดวันประกันพรุ่งเราอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านก็ต้องพยายามรู้จักกลักสมักสมานสามัคคีมีอะไรก็คอยช่วยเหลือถึงกันและกัน เดี๋ยวก็ได้พัดภาคจากกาันไม่ได้พัดภาคจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พัดภาคจากกันตอนตายเพราะเป็นกฎของความเป็นจริงกฎของไตรลักษณ์เราพยายามรีบเดินให้ถึงจุดหมายไปทางเียก่อนก่อนที่ถาดขันของเราจะผุพังเข้าสู่หลักของอนัตตาก็าต้องพยายามพยายามเบาตามา มีอะไรเราก็ช่วยกันทางฝั่งทางด้านเจดีโรงทานท่องเราก็พยายามทาให้ได้ช่วยกันโรงทานข้างบนก็เปิดขึ้นเป็นบางครั้งบางช่วงถึงวาระเวลาที่มีญาติโยมเยอะก็เปิดข้างข้างบนเปิดั้งข้างล่างใครไปใครมาจะได้ไม่เหิวก็จะได้มีความโปร่งและก็พระเราอยู่ฝั่งทั้งโน้นก็ช่วยกันรถ ต้นไม้ซึ่งอยู่หัวสะพานทั้งสามทั้งสี่สะพานด้วยแต่ละวันพยายามลดให้ได้โตขึ้นไปก็จะได้มีดอกไม้ปกคลุมสะพานที่สวยงามช่วยกันลดช่วยกันดูแลเพียงแค่สมมุติเราก็ทำให้สมบูรณ์ก็จะส่งถึงวิมุติไม่ว่าจะเอาตั้งแต่ทรระเอาตั้งแต่ใจไม่รู้จกทมอะไรคือทมอะไรคือปัญญา เราต้องรู้หมดปัญญาต้องสร้างขึ้นมาธรรมคือตัวใจนั่นแหละเวลานี้มันทั้งหลงทั้งเกิดเราต้องพยายามอบรมใจจนกว่าใจของเราจะคลายจากขันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามออมีหมดมีอยู่ในกายในใจของเราหมดเราจะแยกได้หรือไม่จมดูได้หรือไม่ออ แ, ววแต่และวันแต่ละวันก็ต้องพยายามกันน ะ, ะต่างกันละพรกัน อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้งลมหายใจของตัวเราเองให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายฟังไปด้วยน้อมสำเนียกไปด้วยหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่าง ๆ, ๆเอาไว้ชั่วครั้งชั่วคราวถึงเราหยุดไม่ได้ตลอด ฟังไปด้วยลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจนะอย่าไปเพ่งลมหายใจถ้าเราเอาสมองไปเพ่งที่ลมหายใจนี่สมองก็จะรึง ถ้าเราเอาใจไปจดจ่อที่ปลายจมูกหน้าอกก็จะแน่นให้เราหัดสังเกตว่าสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกของเรามีความรู้สึกรบรู้อยู่เหมือนกับนายประตูถานรรถคันไหนจะวิ่งเข้าก็รู้รถคันไหนจะวิ่งออกก็รู้เราพยายามรู้ให้ต่อเนื่อง ทันเยวาวสำประชัญญะมีความรูร้ตัวทั่วพร้อมถ้ากำลังส ต, ติของเรามีเั้่งจะตื่นขึ้นมีความเข้มแข็งในใจเกิดเราก็จะเห็น ใจขันห้าหรือ ว, ว่าความคิดผุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมไดอยังไงเราก็จะเห็นการเกิดการเข้าไปร่วมถ้าเรารู้ทันปุ๊บใจเขาจะดีดออกหงายเหมือนกับหงายของที่คว่ำแต่เวลานี้กำลังทติของเรามีไม่เพียงพอก็เลยไม่เห็นตรงนั้นเราอาจจะควบคุมจิตใจของเราได้เป็นบางเรื่องบางครัง้งบางคราวแต่ส่วนมากก็ปล่อยไปตามอาเภอใจอาจจะถูกอยู่ในระดับของสมมติ แต่เราต้องพยายามดูรู้ตั้งแต่ต้นเหตุทั้งภายนอกภายในภายนอกภายในเขาเกื้อหนุนกันอยู่อออออของดีมีอยู่ในกายของเราอยู่ที่ใจของเรา งานสมมติบนสมมุติเราก็ทําให้เต็มเปี่ยมบุนวิมุตติเราก็พยายามทําใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายกายไม่อยู่ในอํานาจของใจทําไมถึงว่าไม่อยู่ในอํานาจของใจเราต้องหัดวิเคราะห์กายเดี๋ยวก็เจ็บเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่ป้อนเป็นรังของโรคแล้วก็เป็นโน่นเป็นนี่เดี๋ยวก็เกิดทุกขเวทนาให้เราทําความเข้าใจอันนี้เป็นส่วนของกายอันนี้เป็นส่วนของใจ อานิสงส์บุญบารมีนั่นทุกคนสร้างกันมาดีฝากไข่กันมาดีจะมากจะ น, น้อยก็เป็นอานิสงส์กันหมดทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทําบุญให้ตัวเราทําบุญให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องทําน้อยก็เป็นของเราทํำมากก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทําเราก็ปล่อยอนุโมทนาสาธุด้วย มองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีปรับสภาพใจของเราให้อยู่ในความอ่อนน้อมไม่อยู่ในความอ่อนโยนอ่อนโยนหนักแน่นปราศจากกิเลส เราพยายามพอใจทุกดวงนั้นเขามีความบริสุทธิ์มาแต่เดิมความไม่รู้ความหลงเขาถึงไปสร้างเกลเอตมาปิดกั้นตัวเองสร้างความเกิดมาปิดกั้นตัวเองจนกระทั่งมาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวเองนอกจากบุคคลที่เจริญสติเข้าไปแยกได้คลายได้ถึงจะดูรู้เห็นตามความเป็นจริงตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านว่าอัตตาอนัตตาเป็นอย่างไรหลักของอริยสัจความจริงอันประเสริฐที่มีอยู่ในกายของเรานี้มีหมด ก็ต้องพยายามกันนะบนสมมติเราก็ทำบนวิมุตรเราก็ทำทำได้ทุกที่โอกาสเปิดการเวลาเปิดอยู่ที่นี่ก็ได้ทำทุกอย่าง ตั้งแต่สั่งมหาเจดีก็เริ่มทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ได้จะขึ้นเสาเกือบจะได้ครึ่งแล้วแหละขึ้นคานขึ้นอะไรก็ขอขอบใจ ญ, ญาติโยมที่มาร่วมกันมาช่วยกันบางคนบางท่านก็ทุ่มเททัท้งกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์มาช่ว ย, ยนี่แหละเป็นบุญเป็นอนปสงค์อีกจุดหนึ่งที่หลวงพ่อจะได้ไปทําไปสร้างเอาไวา้คือที่ปักตรงใจที่โยมได้ถวายที่เอาไว้ให้ เดี๋ยวนี้ก็ปรับปรุงทหารที่ประมาณ500กว่าไร่ขุดบ่อขุดสะที่จะทำมหาเจดีย์ใหญ่กลงทำพิธีวันที่เก้าวันที่เก้าทำพิธีวางศิาลาฤกษ์ แล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้เดี๋ยวนี้ก็ปลูกไปได้เยอะปลูกต้นชมพูพันทิพย์ปลูกต้นการละประพึกหลวงพ่อว่าจะให้เป็นดงดอกไม้ในวันข้างหน้าหปีสิบปีเดี๋ยวนี้ก็ปลูกไปได้เยอะญาติโย ม, มก็มาร่วมกันมาร่วมกันมาช่วยกันปลูกไปได้เป็นบางส่วนอืม ต้นชมพูพันธทิพย์บางทีก็ต้นละพันต้นละสองพันก็มีต้นละสองร้อยเท่า ก, กันกับต้นไม้ที่ปลูกในวัดของเรา หลวงพ่อปรารถนาที่จะให้เป็นดงดอกไม้ใหญ่ฝากเอาไว้ในแผ่นดินในวันข้างหน้าก็ข อ, ขอเชิญชวนอยากจะมาช่วยกันปลูกต้นไม้ก็วันที่8ที่เก8 9ก็ไปจะทําพิธีวางศิาลาฤกษ์ด้วยแล้วก็ปลูกต้นไม้ด้วยอยติโยมรวมพลังกันทั้งหน่วยงานต่างๆทั้ ง, งหน่วยงานของทหารทั้งหน่วยงานของตารวจทั้งเด็กๆนักเรียนต่างๆก็จะไปร่วมกันปลูกวันนั้นวัน ที่9แต่ก็ให้ปลูกลวงหน้าไปก่อนตอนนี้นก็ปลูกได้เยอะปลูกได้เยอะภายใน10ปีข้างหน้าคงจะได้เห็นคงจะได้ไปเที่ยวไปชมไปกราบไหว้ว่าจะอัญเชิญพระบรมสารีกระธาตุ่วนหนึ่งไปไว้ที่นั่นแล้วก็ได้จะสร้างองค์หลวงปู่ใหญ่หนาตัก14เมตรเอาไว้ด้วยที่ตรงนั้นภายใน5ปี10ปี จะได้เป็นดงบวิศาสตร์ของประเทศไทยฝากเอาไว้ในแผ่นดินก็ข อ, ขอเชิญชวนพี่น้องเราไปร่วมไปช่วยกันมีโอกาสโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดพวกเราก็ได้ช่วยกันยังสมบัติฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ในส่วนกลางฝากเอาไว้ในใจของเราทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ไหนโอกาสเปิดก็ให้ไปอย่างที่พวกเราได้ไปช่วยกันทาอยู่ที่เขื่อนป่าัก เดี๋ยวนี้ก็เป็นแหล่งบุญใหญ่ของจังหวัดสระบุรีญาติโยมไปเที่ยวไปชมไปกราบไหว้กันทุกวันเป็นจุดสำคัญทางคณะจังหวัดสระบุรีก็ได้ทำพิธีให้เป็นพระประจำจังหวัดของสระบุรี ญาติโยมก็ไปเที่ยวกันทุกวันมีโอกาสก็ไปแวะไม่ว่าอยู่ที่ปักทงชัยไม่ว่าอยู่ที่สระ บ, บุรีหรือว่าเกินปรตสักอยู่ที่ไหนก็ฝังฝากเอาไว้ในใจของเราก็ต้องพยานนะพยามกันนะพยายามกันมีโอกาสเราก็จะได้ช่วยกันเอาเรื่อนี้ก็จะเริ่มทำเึิตอนนี้ฝากกันไปฝากพร้อมๆกันฝากกันไปสร้างฐานเตะทำความเข้าใจกันนะ